เ่วานได้ไปแสดงธรรมที่โยพุติกาสมาคมแสดงธรรมเสร็จก็มีคนส่งคำถามขึ้นมามีคนหนึ่งถามว่าตอนนี้เขาไม่ได้หรือไม่มีสามีแล้วนะ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 เขามีหมู่นิดมีเครือข่ายในหมู่บ้านแต่ว่าคนในเมืองเดี๋ยวนี้ก็อยู่กันแบบต่างคนต่างอยู่ถ้ามีครอบครัวนะก็ก็แล้วไปนะแต่ว่าจะเกิดคนในครอบครัว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 อยู่คนเดียวไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับใครใจมันก็คิดไปต่างๆนานาและใจที่คิดไปต่างๆนานาเนี่ยนะมันก็ทำให้ว้าวุ่นเสร็จแล้วถึงจุดหนึ่งก็จะรู้สึกเหงาขึ้นมาที่คนเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเสียพ่อเสียแม่ไปหรือว่า เสียสามีหรือว่าไม่มีแฟนเนี่ยมันก็ไม่ไมต้องเหงาก็ได้นะถ้ามีเพื่อนมีเพื่อนมีหมูมิดแนละ้วผู้ชายเนี่ยจ ะ, จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าที่มาอยู่คนเดียวนะแต่ว่าเขามีหมูมิตดนะจะเป็นเพื่อนเล่นเพื่อนกินหรือเพื่อนเที่ยวก็แล้วแต่ แต่ว่าคนสมัยนี้ถึงแม้มีเพื่อนนะแต่ว่าถ้ามันฉาบฉวยเนี่ยพอกลับมาอยู่บ้านคนเดียวก็อาจจะเหงาได้อันนี้เป็นมากนะทุะคนสมัยใหม่โดยเฉพาะวัยรุ่นหนุ่มสาวอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เฟซบุ๊กนี่นะเป็นที่นิยมมากนะเพราะว่า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 อาจจะมาพบปะ ก, กันเป็นครั้งคราวแต่ว่าก็ยังอยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยใช้เฟ e บุ๊กนี่เป็นสื่อเป็นสื่อในการพบปะเป็นสื่อในการหาเพื่อนเป็นสื่อในการที่จะแสดงออกนะตัวตนหรือประกาศตัวตน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 วัยรุ่นหลายคนเนี่ยถ้ามีมีแฟนแล้วก็จะรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปบางอย่างถึงแม้ว่ามีพ่อมีแม่หรือว่าอยู่กับพ่อแม่แต่ก็ยังเหงาความเหงาส่วนก็เพราะว่าต้องการคนมาพนาออัดตาเพราะว่าถ้ามีแฟนแล้วมี่ยแฟก็จะทาตามใจเราหรือว่าเขาก็จ ะ, ะแสดงความรักต่อเรา ความรู้สึกว่าเรามีคนรักก็ทําให้เราสูว่าเราเป็นคนสําคัญถ้าไม่มีคู่รักไม่มีแฟนก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่อยู่ในสายตาของใครอความรู้สึกว่าตัวเไม่มีความสําคัญเนี่ยมันก็จะเด่นชัดขึ้นและคนก็เป็นอย่างนี้มากนะก็คือว่าต้องการต้องการสิ่งที่จะมายืนยันหรือว่ามาม า, มาชี้ สนับสนุนให้ตัวรู้สึกเป็นคนสําคัญบางครั้งเนี่ยการที่ไปหาของแพงๆมาเช่นสินค้าแบรนด์เนมนะราคาแพงราคาเป็นหมื่นเป็นแสนไนะม่ว่าจะเป็นรองเท้าเนี่ยเป็นกระเป๋านาฬิกาหรือว่ารถยนต์เนี่ยนะก็เพื่อมาทําให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสําคัญหรือทําให้คนอื่นเนี่ยเขามองว่าเราเป็นคนสําคัญนะเพราะว่า ถ้าเราขับรถธรรมดาเนี่ยแม้แต่ยางก็ไม่สนใจมีหมอคนหนึ่งเขาเล่าเนี่ชัยภูมินี่แหละเวลาขับรถธรรมดาเข้าไปในโรงพ ย, ย, ยาบาลยานก็เฉยๆนะแต่พอเขาขับรถเบนเข้าไปยางนี่นะแสดงทความคอรบทันทีเลยไอ้ปฏิกิริยาแบบนี้แหละที่ทำให้คนเรเรารู้สึกว่ามันอยากจะมีของพวกนี้แหละสินค้าแบรนด์เนมเพราะว่าพอมีแล้วเนะี่ย คนเขาจะรู้สึกว่าเราเป็นคนสาคัญนะเขาจะรู้สึกว่าเราไม่ใช่คนธรรมดานะการแสดอาการของเขาเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าปลื้มนะอันนี้ก็เลยเป็นการพนองอัตราแบบหนึง่งและขณะเ ด, ดยียวกันการที่ถ้าเกิดไม่มีของนะไม่มีของราคาแพงใช้ไม่มีสินค้าแบรนด์เนมก็อาจจะอาศัยการมีความสัมพันธ์กับผู้คนผู้อื่น เพราะว่าความสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ยมันก็มีส่วนในการพนออัตตายิ่งถ้าเรามีมีเพื่อนเยอะคนที่มีเพื่อนเยอะก็จะถือว เ, เป็นคนสําคัญแต่ถ้ามีเพื่อนน้อยเขาจะถือว่าเขาไม่เคยเป็นคนสําคัญทําไมฉันไม่เคยมีเพื่อนเลยนั้นหลายคนไปหาเพื่อนเพื่อเอาเพื่อนเนี่ยมามาพนออัตตามาสร้างความสัมพันธ์ให้กับตัวเอง ถ้าไม่มีเพื่อนเลยทําไงนะก็เลี้ยงหมาเลี้ยงหมาเลี้ยงมีสัตว์เลี้ยงเพนะราะว่าสัตว์เลี้ยงนี่มันก็มีส่วนช่วยในการที่ทำให้พวกเราเป็นคนสําคัญนะบางคนมีมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยอาจจะที่ว่าเพราะมีเพื่อนเลี้ยงสัตว์ก็เพื่อจะได้มีเพื่อนแต่ก็ไม่แน่ว่าต้องการเพื่อนหรือพวกกันแน่นะคนส่วนใหญ่นี่ยไม่ได้ต้องการเพื่อนแะต้องการพวก มีคนเป็นพวกนะมีบริษัทบริวารก็ทําให้รู้สึกว่าเออเราเก่งเราสําคัญหลายคนก็ต้องนะหาพวกด้วยการเอาเอาเงินมาหว่าง น, นะเอาเงินมาหว่านเอาเงินมาจากไหนนะนะเงินนี้ก็ก็ จ, จะมาด้วยการเล่นพนันบ้างแหละหรือว่าบางทีก็ไปขโมยเข้ามาไปโกงเข้ามาแล้วามาหว่านจะได้มีพวก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 การไปวัดไปวานะหลายคนไปวัดเนี่ยนะก็เพราะว่าต้องการเพื่อนแล้วก็เผลอๆต้องการพวกด้วยวัดหลายวัดนี่ก็ตอบสนองความต้องการอย่างนี้นะของคนในเมืองเพราะว่าคนชั้นกลางเนี่ยเ ข, เขาเขาเงาเลยแล้วก็หลายคนพบว่าเออถ้าไปวัดแล้วเนี่ยมันมีเพื่อนมีพวก อันนี้ก็เป็นเรื่องที่รู้กันในหมู่คนที่ศึกษาบทบาทของวัดหรือว่าศาสนาในสังคมสมัยใหม่นะเข า, เาะว่าไม่ว่าเป็นศาสนาคริสต์ศาสนา islam ศาสนาพุทธเนี่ยวัดเนี่ยหรือว่าโบสถ์หรือว่ า, ว า, ามั ส, สยิดก็ตามเนี่ยนะหลายแห่งเนี่ยมีคนนะมามากมายเพราะว่าคนต้องการมาหาเพื่อน เพราะลัทัทธาเขาต้องการชุมชนนะอันนี้พูดแบบวิชาการแบบต้องการชุมชนสังกัดวัดนึงก็สามารถจะเป็นชุมชนให้เขาได้มาสังกัดได้มีบางวัดที่มีคนขึ้นเนี่ยเป็นแสนเลยเป็นล้านเลยนะเพราะว่ามันตอบสนองความต้องการอย่างนี้ของคนของคนเมืองจึงรู้สึกเหงานเหงาแล้วก็เลยต้องมาหา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 คนที่ชอบประดิษฐ์ปดอยยังมีชันทะนะในการทอผ้าในการสารกระบุงตะ ก, ก้านะหรือว่าจัดดอกไม้เก็จะไม่สุดเห่าน ะ, เ, า ะ, ะาเขาก็จะรู้สึกว่าเขมีเพื่อนเหมือนกันนะแต่ว่าคนไทยก็เองนั้นแหละนะชันทะนะในการทําสิ่งเหล่า น, นี้ไม่ค่อยมีเพราะเดี๋ยวนี้เราในเรื่องการฝ่ายเสรมากกว่าใยทำํำนะถ้าฝ่ายทําเนี่ยนะ เราจะรู้สึกว่าความเหงานี่ไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไรเพราะว่าเรามีอะไรให้ทาการที่มีอะไรให้ทำเนี่ยมันก็มีผลต่อจิตใจในแง่ที่ว่าจิตมันไม่ฟุ้งซ่านะนะเพราะว่าจิตมีสมาธิอยู่กับสิ่งที่ทำยิ่งถ้าทำด้วยฉันทะก็เกิดความชอบไม่ว่าสิ่งที่ทำนั้นคืออ่านหนังสือจัดดอกไม้นะ หรือว่าถักโครเชต์จิต ท, ที่มีสมาธินะมันจะไม่รู้จักคำว่าเหนาแต่ว่าคนสมัยนี้เนี่ยนะก็ไม่ค่อยจะมีสมาธิกับอะไรง่ายๆหรือว่าถ้าจะมีสมาธิก็เป็นสมาธิเรื่องการเสพเช่นฟังเพลงดูหนังหรือไม่ก็ไปช้อปปิง้งแต่มันก็สร้างปัญหาอีกแบบขึ้นมา ก็คือว่าพอไม่มีสิ่งเสพเนี่ยก็จะจิตใจก็จะว้าวุ่นนะไม่มีที่เก่ะเสร็จแล้วจิตที่ว้าวุ่นเนี่ยมันก็กลับมาเล่นงานตัวเองกลับมาเล่นงานตัวก็คือทําให้รู้สึกว้าวุ<ฟ úng>่นฟ<อ>ุ้งซ่านนอนไม่หลับแล้วก็เหงาดั้นสุดท้ายเนี่ยมันก็กลับมาลงที่ความคิดนั่นแหละหรืกลับมาลงที่จิตใจนะความเหงาของผู้คน ทีจริงแล้วเนี่ยก็อันนี้ไม่ได้ตอกเข้าไปนะแต่ที่ตอกเข้าไปคือว่าคนเราเนี่ยนะถ้าหากว่ารู้จักอยู่กับตัวเองนะมันไม่มีคำว่าเหงาแต่คนทั้วันนี้เนี่ยไม่รู้จักอยู่กับตัวเองแล้วที่จริงเนี่ยหนีตัวเองตลอดเวลาสิ่งที่ทํามาทั้งวันเนี่ยคือการหนีตัวเองหนีโดยการไปอยู่กับงานกับการบ้างละ่ะหนีไป หนีด้วยการไปช็อปปิง้งไปเที่ยวห้างบางหลับนะหรือว่าไปคุกคีกับเพื่อนไปเที่ยวผับ mm hmm. ทเที่ยวบาร์ก็หนีตัวเองแม้แต่การเล่น Facebook การเล่นไลก็เป็นการหนีตัวเองอีกแบบหนึ่นะนะแงแล้วครั้นพอไม่มีอะไรจะให้หนีนะพอไม่มีอะไรจะให้ทำเนี่ยหรือพอไม่มีช่องทางที่จะหนีเนี่ยนะก็จะรู้สึกเคว้งรู้สึกว่าวุ่นรู้สึกเหงาอะไรเงี้ย อันนี้เป็นปัญหาใหญ่นะของคนในยุคปัจจุบันนะไม่สามารถจะอยู่กับตัวเองได้ทนอยู่กับตัวเองไม่ได้นะถ้าพผู้เห้ยนแรงกนะ็คือทนอยู่กับตัวเองไม่ได้ไม่ว่าจะมีเพื่อนนะมีหมู่บิดอย่างไรเนี่ยมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยเปร่ะบางเพราะว่าขนาดตัวเองเนี่ยนะยังอยู่กับตัวเองไม่ได้ หรือว่าไม่สามารถจะเป็นมิกกะเิฏฐิได้อย่างแท้จริงเนี่ย้วมันจะเป็นมิกฉาคนอื่นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดแบบฟันธงก็คือว่าที่เงานี่เพราะว่าไม่เป็นมิจกตัวเองไม่เป็นมิจฉตัวเองไม่รู้ว่าจะเป็นมิกฉะตัวเองได้อย่างไรทุกคนเนี่ยก็พูดวบบฉันรักตัวเองรักตัวเองรักตัวเองแต่เคยตั้งคำถามด้ยว่า ถ้าทำไมเราทนอยู่กับตัวเองไม่ได้ทำไมเวลาอยู่กับตัวเองนี่มันทุกเหลือเกินมันกระสับกระสายระสำมระสา ย, ยถ้าอยู่กับตัวเองเนี่ยอยู่ไม่ค่อยได้นะยิ่งสมัยนี้ถ้าไม่มีโทรทัศน์ไม่มีไม่มีโทรศัพท์มือถือนี่โ อ, อ้การอยู่กับตัวเองนี่กลายเป็นเรื่องที่ทรมากมนก็ตกนรกเลยทีเดียวที่คนสมัยนี้ต้องมีโทรศัพท์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 มาให้กำลังใจเราแต่ก็เพื่อนเขาก็ไม่สามารถจะแบกรับความทุกข์หรือว่าเข้าถึงความทุกข์ของเราได้ก็ไม่สามารถจะเข้าใจความทุกข์ของเราเมื่อวานนี้ก็หลัจาที่ไปบัญจายก็ไปเยี่ยมโยมคนหนึ่งนะซึ่งเป็นหลานของเพื่อนจะเป็นมะเล็งแล้วก็อยู่ในระสุดท้ายแล้วก็อาการก็หนักนะแต่ว่า มามาเยียวยาที่ที่บ้านเพราะว่าโรงพยาบาลบอกว่ารักษาไม่ได้นะแล้วแกก็คงมีความทุกข์ทรมานมากนะจากความเจ็บป่วดเจ็บปวดพูดไม่ค่อยไดนะ้แต่ว่ามีบางช่วงที่เธอพูดออกมาเนี่ยทำนองว่าสามีเนี่ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจตัวเธอ ควมไม่เข้าใจอันนึงคือไม่เข้าใจความทุกข์ของเธอไม่เข้าใจว่าเธอเจ็บปวดทรมานแค่ไหนอันนี้มันไม่ใช่เกิดขึ้นกับเฉพา ะ, ะคนไข้คนนี้นะทุกคนแหละเวลาทุกข์เนี่ยนะเราจะรู้สว่าความทุกข์ของเรามันใหญ่มากแล้วเราจะรู้สึกว่าคนอื่นนี่ไม่เข้าใจความทุกข์ของเราแม้จะเป็นคนใกล้ชีดแค่ไหนเขาก็ไม่เข้าใจเราอันนี้เรียกว่าป่วยเนี่ยคือแม้เวลาป่วยเนี่ย คนมาห้อมร้องแค่ไหนแล้วก็ต้องป่วยคนเดียวแล้วก็ต้องทุกคนเดียวไม่ต้องพูดถึงว่าเวลาตายแล้วก็ตายคนเดียวฉะนั้น ถ, ถ้าตอนนี้ค่ที่เรายังสุขสบายดีอยู่เนี่ยเรายังไม่รู้จักหาทางอยู่กับตัวเองให้เป็นนะถ้าถึงตอนเวลาที่เราป่ว ย, ยตอนที่เวลาเราประสบความทุกข์ประสบกับความพัา่าสูญเสียเนี่ยแล้วเราจะอยู่อย่างไรเพราะในยาม น, นั้นเนี่ย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 เพื่อที่จะรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็กลับไปแบกบเอาความทุกข์เอาไว้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางสักทีรวมทั้งเวลาเจ็บปวดเนี่ยกายมันเจ็บปวดเนี่ยแทนที่ใจเนี่ยมันจะแคบเฝ้าดูเฉยเฉยมันไม่นะีมันกลับไปเอาความปวดของกายมนาะเป็นความปวดของกูนะ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 แต่มันไม่อย่า ง, งานั้นใจนี่มันเข้าไปจดจ้องไปจ้องไปเพ่งไปปักตืงนอยู่ความปวดนะก็เลยไปลว่าปวดทั้งกายเกิดทั้งใจมีนำซ้ำนี่ไปไปคิดถึงเรื่องความตายบางระไปคิดถึงเหตุการณ์ที่ไม่ดีบางละคิดน้อยอกน้อยใจมันะมไปขุดคุยความทุกข์อะไรต่างๆเนี่ยมาเล่นงานจิตใจ อันนี้เป็นเพราะอะไรนะเพราะว่าเราไม่รู้จักนะทำใจให้เป็นมิตรเพราะเราไม่เคยฝึกเลยครนะู จ, าจ่าตราก่าวเนี่ยคนผ่านปัญญาสามเนี่ยย่อมทากับตัวเหมือนศัตรูนะทกับตัวเหมือนศัตรูเนี่ยอย่างยางยาก็คือว่ากินเหล้าสูบบุหรี่หรือว่า ยาเสพติดไนอะ้พวกนี้มันทำลายร่างกายของเราเพราะว่าทำลายชีวิตของเราด้วยแต่นั่นมันหยาบนะยังมีละเอียดกว่านั้นนะเช่นการไปเอาเนะการผิดศีลนะการผิดศีลนี่ก็ยังหยาบ อ, อยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็เป็นการทำลายตัวเองเพราะว่าเมื่อเมื่อผิดศีลแล้วเนี่ยก็คือการนะสร้างวิบากให้กับตัวเองวิบากรอรออยู่ข้างหน้าแล้วนะมันรอที่จะ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 การจะชื่นชมสิ่งที่มีกลับไปมองเนแต่สิ่งที่ไม่มีอันนี้เรียกว่าเป็นการซ้ําเติมตัวเองทํากับตัวเหมือนศัตรูแล้วพออยู่คนเดียวไม่ได้ก็เป็นไงก็เกิดอา ก, การซึมเศร้าหรือบางคนก็รู้สึกว่าฉันนี่ไม่ค่าที่จริงเขาน่าจะมองในแง่นี้ว่าเอออยู่คนเดียวก็ดีเหมือนกันเพราะว่า เห็นหลายคนนะมีคนอยู่ด้วยกันมากมายนี่ก็ทะเลาะ ก, กันมีพ่อก็ทะเลาะ ก, กับพ่อมีแม่ก็ทะเลาะ ก, กับแม่มีแฟนก็ทะเลาะ ก, กับแฟเนเออไม่มีก็ดีเหมือนกันนะอันนี้สมองวันนี้เนี่ยก็ทำให้ไม่รู้สึกหนอรู้สึกว่าเออฉันก็โชคดีนะอันนี้คือโอกาสที่ฉันจะได้เรีรู้ที่จะอยู่กับตัวเอง คนเราเนี่ยถ้าหากว่าล้าเลยโอกาสในการที่จะอยู่กับตัวให้เป็นนะอันนี้ถือว่าประมาททีเดียวเพราะว่าในการอยู่กับตัวให้เป็นเนี่ยหรือว่าการเป็นมีตรกับตัวเนี่ยมันสาคัญมากในการที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยหลุดจากความทุกข์ได้ในเวลาที่เราเจอความผันผวนไปในชีวิตเจออุปสรรคหรือว่าเจอวิกฤต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 เอาแต่กุ้มใจนะเงินถูกโกงไปเสียงานแล้วพั ง, งหุ่นหิดนะอารมณ์ไม่ดีเพื่อนมาคุยมาหยอกก็โกรธเพื่อนบางทีด่าเพื่อนทางเฟซบุ๊กทั้งที่เพื่อนแค่หยอกแค่ล้อนะหรือว่าอตอว่าเขาตอหน้านะก็เสียเพื่อนไปหรือทําในสิ่งที่ไม่สมสมควรนะก็เสียสั ม, มพันธภาพอันนี้เราซ้ําเติมตัวเอง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 คนเราเวลาทุกข์นนะ่าไปหวังพึ่งคนอื่นมากนัก น, นะถึงแม้จะมีเพื่อนมีมูมิท ม, มากมายเนี่ยเขาก็ช่วยเราได้ในระดับหนึ่งใครช่วยได้ในเรื่องเงินทองในเรื่องอายาหยูกยาเรื่องที่พักแล้วก็คำคำพูดที่ไพเราะปิยะวาจาแต่ว่าจะหมดทุกข์หรือไม่อยู่ที่ใจของเรา และถ้าเราไม่สามารถจะฝึกใจให้เป็นนิสกับตัวเราได้เนี่ยนะนอกจากมันจะไม่ช่วยลดความทุกข์แล้วนะมันยังเพิ่มความทุกข์ให้กับตัวเราด้วยนะปัญหาบางทีมีไม่มากนะแต่ความวิตรกกังวลเนี่ยทำให้ปัญหามาดุแลแรงขึ้นหรือว่าทำให้เกิดความเมื่อเนื้อต่าใจนะ จนกทั่งค่าตัวตายก็มีเพราะเรื่องเล็กน้อยดันการการที่การที่เราเนี่ยถ้าว่าเรารู้สึกเหงาเนี่ยนะไม่ว่าอยู่ในสภาพแล้วก็ตายมันเป็นตัวฟ้องนะว่าเรายังฝึกใจไม่ดีพอและขณะดียกก็เป็นการเตือนว่า นะเราต้องมานะมาฝึกใจขงเราเนี่ยนะให้ให้เข้มแข็งฝึกใจให้กลับมาเป็นนิสิตัวเราให้ได้ฉะนั้นมองในแะง่ในะนะนะนะความเหงาเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์นะรวมทั้งความเบื่อด้วยก็เป็นประโยชน์นะมันกําลังสะท้อนหนึ่งปัญหาว่าเรายังมีจุดอ่อนตรงไหนเรายังฝึกไม่เพียงพอ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 ที่หันมาทรยกกับเราหันมาซ้ำเติมเราทำกับตว เ, เมืนเป็นศัตรูและถึงตอนนั้นเนี่ยนะและถ้าว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะถึงแม้เราจะผ่านเหตุการณ์ผ่านปัญหาไปได้เนี่ยจะเจอเหตุการณ์ใหม่ๆแล้วก็จะกลับมาสู่ความรู้สึกเดิมๆและถึงเวลาที่เจอปัญหาหนั ก, นกๆนะเช่น เจ็บป่วยนะเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายเนะี่ยถึงตอนนี้นี่นะมันก็จะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่งันการที่เรามานะกลับมาเห็นความสำคัญของการฝึกใจนะเพื่อมาเป็นมิตรกตัวนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นมากทีเดียวนะและถ้าเราสามารถจะทำให้ใจของเราเนี่ยนะเป็นมิตรกตัวเราเองได้นะ อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อยู่ที่ไหนก็มีความสุขอยู่ท่ามกลางผู้คนหรือว่าอยู่คนเดียวก็มีความสุขได้ที่จริงแล้วเนี่ยนอกจากความความการที่เรามีสมาธิกับงานกับการหรือว่าทำใจมีสมาธิอยู่ประลมหายใจ การทำให้ใจเป็นมิตรกับตัวยังทำได้หลายอย่างนะเช่นการสร้างความสุขตัวให้เกิดมีขึ้นนะถ้าเรามีความสุขตัวเวลาทําอะไรนะใจมันจะไม่ไปคิดโน่นคิดนี่นะที่ทําให้รู้สึกเหงาที่ทําให้รู้สึกว้าว่นที่ทําให้รู้สึกหงุดหนงะิดแต่วพาใจเนี่ยนะมันมันว่างเกินไปนะมันไม่มี ไม่มีไม่มีสมาธินะในการที่จะดูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าไม่มีความสึกตัวที่จะทำให้จิตเนี่ยกลับมาอยู่กับปัจจุบันมันก็เลยปรุงแต่งสารพัดการฝึกจิตมันทได้หลายอย่างนะฝึกจิตทำได้หลายอย่างนะ ทำให้จิตเป็นสมาธิมีสมาธิกลมหายใจเมื่อเรามีสมาธิกลมหายใจเนี่ยอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้สึกว้าเหวเพราะเรามีกลมหายใจเป็นเพื่อนเมื่อเราฝึกใจให้มีความสึกตัวอยู่เสมอนะในความสึกตัวนี้ทําให้สึกโปร่งเบาไม่มีความหลงมาครอบนาใจนะการที่ใจจะว้าวุ่นนะปล่อยให้กิเลสเข้ามาครอบนา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 อ่าคำนมเรือเท่านี้น ะ, อะขอบคุบครับ